บทที่137ระหว่างที่คณะทุกคนยังนั่งตะลึงนิ่งอยู่นั้นมาริอาฮอฟมันเดินถือปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติกระบอกที่ไอตัวจ่าฝูงหยิบขึ้นมาส่งให้แกล่อนกลับเข้ามาที่พักพวกอย่างแช่มช้าโดยมีเจ้าดำเดินตามมาด้วยห่างๆพอถึงก็ชูปืนกระบอกนั้นให้ทุกคนดูทำกลางสายตาที่จ้องมาเป็นตาเดียวอย่างปิติระคนงุนงงตื่นเต้น เราได้คืนมาแล้วกระบอกหนึ่งแม่สาวผมทองพูดเรียบเรียบยิ้มให้รพินนิดหนึ่งแล้วโยนปืนกระบอกนั้นข้ามกลางวงไปที่เขาพ่านใหญ่รับไว้ได้ก้มลงดูปืนและมองหน้าหลอนสลับกันเชษฐายิ้มออกมาได้อย่างยินดีเมยคุณเก่งจริงๆนะคุณทําได้ยังไงถึงสามารถเข้าใจกับมันได้อย่างดีโดยมันยอมให้คุณเอาปืนกลับมาได้ปืนกระบอกนี้มันถือเข้ามาในแคมป์ของเรา เมื่อคืนระพินพยายามจะเอาคืนแต่มันแย่งออกไปซะแล้วพวกเราทุกคนเห็นมันโยนเวียงหายไปนอกบริเวณนักโบราณชีวาศาสตร์สาวหัวเราะออกมาเบาๆยักไหล่นิดนึงแล้วหันกลับไปมองยังไอ้ตัวใหญ่นั่นขณะนี้มันเดินวนเวียนอยู่รอบๆกระท่อมที่พักของฝ่ายมนุษย์และทะลึ่งลงคลานสี่ตีนล่อหน้าเข้าไปสำรวจภายในซะด้วยฉันมีความมั่นใจว่า ถ้าเราไม่แสดงอาการต่อสู้หรือทำอันตรายมันก่อนแล้วจะพวกนี้จะไม่ทำอะไรเราเป็นอันขัดความกล้าหาญและกำลังใจอีกประการหนึง่งจะช่วยเราสามารถกลืนอยู่ในฝูงของมันได้ยิ่งทำกลัวหรือสะทกสะทานต่อมันเพียงไรก็เท่ากับยุยั่วให้มันข่มขู่คุกคามเรามากขึ้นเท่านั้นฉันพยายามไม่กลัวมันไม่ว่ามันจะทำอะไรและปรับจิตใจของตนเองที่จะให้เป็นมิตรกับมันให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้จ่าฝูงตัวนั้น มันแสดงอาการเป็นมิตรและเชื่องกับฉันเหมือนลิงซิมแปนซีที่เลี้ยงไว้แม้จะใช้ภาษากันไม่รู้เรื่องแต่มันก็มีสัญชาตญาณที่จะยังเข้าใจอะไรได้จากอาการและท่าทีมันหยิบปืนของเรากระบอกนั้นขึ้นมาส่งให้ฉันเองภายหลังจากที่ฉันพยายามใช้ภาษาบา้าบอกมันซ้ำๆอยู่หลายขนแล้วหล่อนก็หันไปทางพรานใหญ่ผู้ยังนั่งนิ่งงันอยู่ไทวัต ที่คุณหรือทุกคนเกรงไปว่ามันจะฉีกทึ้งหรือทำลามกอนาจารกับฉันตามวิสัยของสัตว์เพศผู้เหตุการณ์ชนิดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเลยคุณชายพูดถูกแล้วคุณเก่งจริงๆเม่ผมอาจระแวงหวาดมากไปหน่อยก็ได้ที่คิดกลัวเช่นนั้นแต่ก็อยากจะตื่นอยู่ตามเดิมนะว่าอย่าเพิ่งประมาทไว้วางใจอะไรมากนะผมยังไม่อยากเห็นมันฉีกเสื้อผ้าของคุณออกตอนหน้าพวกเราทุกคน จอมพรานพูดเสียงต่ำๆก้มศีรษะให้แมมสาวนิดนึงอย่างยกย่องในความกล้าแบบบ้าระหัำจนกระทั่งได้ผลนั้นแล้วโยนปืนกระบอกนั้นต่อไปให้จันทร์ซึ่งเจ้าของก็รับคืนไปอย่างดีใจขีดสุดรีบเอาผ้าเข้ามาเช็ดเศษดินโคลนที่ปกคลุมอยู่ออกโดยเร็วและตรวจสภาพอย่างถีทุวนก็พบว่ากลไกปฏิบัติการของมันยังใช้การได้ดีเหมือนเดิมไม่มีส่วนใดชํารุดเสียหายไปเว้นแต่จับเต็มไปด้วยฝุ่นละออง และคราบน้ําฝนเมื่อคืนนี้เท่านั้นในแหมมแน่จริงๆเอาปืนคืนมาให้จันจนได้จันพึมพำออกมามองดูมาเรียอย่างเลื่อมใสใช้ยันคว้าข้อมือแม่เพื่อนสาวต่างผิวของเขาฉุดให้นั่งร่วมวงตามเดิมถ้างั้นเราก็มองเห็นทางใสขึ้นแล้วล่ะเมน่าจะมีอุบายโดยวิธีใดวิธีหนึ่งปล่อกให้อิตัวจ่าฝูงนั่นแหละนาพวกเราไปเอาของของเราทั้งหมดคืนมาได้ ก็แล้วถ้ามันยอมคืนของทั้งหมดให้เราแต่กลับเอาตัวเมวไว้หละจะทํำยังไงดารินถามอ่อยทุกคนอดยิ้มออกมาไม่ได้ต่อข้อกังวลใจชนิดนั้นของราชสกุลสาวเจ้าตัวเองถึงกับหัวเราะออกมาเบาเบาว่าเดี๋ยวไหลนะ่ะน้อยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคือไม่ต้องกลัวในเรื่องนั้นให้มากเกินไปนะักฉันสังเกตดูแล้วถึงมันจะมีสัญชาตญาณแห่งเพศอยู่บ้างตามวิสัยของลิงตัวผู้ แต่ก็เป็นการอยากรู้แบบทุกสนตามธรรมชาติของมันเท่านั้นฉันไม่คิดนะว่ามันจะมีจิตเสน่หาจนถึงกับอยากจะเมคเลฟกับมนุษย์หรอกและถแต่เหตุการณ์วิปริตบ้าบอลคอแตกชนิดนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆฉันก็ไม่กลัวหรอกฉันมีทางแก้ไขได้เองแต่เดี๋ยวเรากินอาหารกันเสร็จฉันจะดูลาดเราหาทางให้มันนาไปที่สัมภาระของเราแล้วกลับคืนมาให้ได้โดยสันติวิธีที่สุด ทุกคนบรรจุกระเพาะกันเต็มอิ่มพร้อมกับการใครครวนซึ่งเริ่มจะมองเห็นลู่ทางดีงามขึ้นทันใดนั่นเองขณะที่พวกครานพื้นเมืองช่วยกันพรากกองไฟเพื่อดับให้สิ้นเชื้อภายหลังจากการย่างเนื้อกองทัพทรโมน์ซึ่งยั่วเยียกันอยู่รอบนอกตามแนวชายป่าก็พากันเคลื่อนเข้ามาในบริเวณเต็มไปหมดโดยการนำของหัวหน้าฝูงตัวใหญ่ๆสี่ถึงหตัวพวกมันเหล่านั้นตรงเข้ามาช่วยกันรื้อกระ่อมสะน้า อันเป็นที่พักอาศัยหลอดภัยของมนุษย์เมื่อคืนที่ผ่านมานี้ออกอย่างเป็นระเบียบเรากับจะเป็นอาการกระทําของกรรมกรผู้ชํานาญการรื้อถอนของเทศบาลทั้งหมดเอกใจครั้งแรกก็ยังไม่สงสัยอะไรนักที่เห็นพวกมันพากันบุกรุกเข้ามาเต็มบริเวณแต่พอเห็นมันช่วยกันดึงกิ่งน้ําที่สะด้านนอกของกระท่อมออกทีละกิ่งก็ถลันยืนขึ้นพร้อมกันอย่างตกใจเฮ้ยอะไรกันนั่นมันทําอะไรวะนั่น่ะ ช้ยันอุทธานออกมาอย่างลืมตัวขมวดคิ้วจ้องขมิงอย่างไม่แน่ใจมันหรือกระท่อมพวกเราแล้วล่ะนายพวกพรานพื้นเมืองร้องบอกอย่างร้อนรนเป็นเสียงเดียวกันหมดพร้อมกับไหวตัวแต่แล้วคนเหล่านั้นก็สงบนิ่งอยู่กับที่ตามเดิมเมื่อพรานใหญ่ยกมือเป็นสัญญาณให้เงียบเฉยไว้ตัวเขาเองมองปฏิกิริยาเคลื่อนไหวคืบหน้าของฝูงธโมนอย่างพินิจไอ้ตัวจ่าฝูงหัวหน้าใหญ่ดูเหมือนจะเป็นตัวแรก ที่เริ่มลงมือทำการนี้นำพวกมันขึ้นก่อนพร้อมกับส่งเสียงกูร้องเหมือนจะออกคำสั่งกับพวกของมันสึ่งต่างก็เข้ามาให้การร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงสามคัคคีและอยู่ภายใต้บงการดียิ่งระพินมันทำลายกระท่อมของเราจริงๆนะนั่นนะท่านหัวหน้าคณะครางในลำคอออกมาอย่างสุดพิศวงเมื่อเห็นเจ้าทหารพระรามเหล่านั้นหรือกิ่ง้ําอย่างระมัดระวงังออกจนหมด พ อ, อถึงผนังที่กั้นกิ่งไม้ธรรมดาไว้ด้วยเถาวัลย์พวกมันก็ไม่มีการรีรอเพราะไม่มีน้ําเป็นอุปสรรคที่จะต้องให้มันต้องใช้ความระมัดระวังอะไรอีกมันช่วยกันฉุดกระชากถอนเสาหลักที่ปักอยู่เป็นจ่าละวันชั่วไม่กี่พริบตากระท่อมที่ปลูกสร้างไว้ก็ราบพนาสูนลงไปกองอยู่กับพื้นท่ามกลางอาการกระโดดโลดเต้นส่งเสียงร้องเจียจ๊ยบจกอื้ออเหมือนจะเป็นการช้โยโห่ร้องด้วยความยินดีของพวกมัน หลายตัวขึ้นไปกระโดดขยมตัวอยู่บนกองไม้เหล่านั้นหกเมรตีลังกากันเป็นที่สนุกสนานเบิกบานใจบ้างก็รื้อเอาพลาสติกที่ใช้มุงหลังคาขึ้นมาคลุมหัวหยอกล้อ ก, กันเล่นดูพลุกพล่านสับสนไปหมดชยันมีอาการหึดหัดร้องตะโกนพรุษสวาาสาบแช่งออกไปดังๆแต่พวกมันจะสนใจก็หาไม่พวกพรานทั้งหมดก็ยืนกระพริบตาปริบๆคอแข็งกันขึ้น ขยินนึกบ้าเลือดขึ้นมายังไงก็สุดที่ใครจะทราบได้เจ้า ก, กระเรียงลมช้างวิ่งปรีเข้าไปที่ฝูงธโมลเหล่านั้นกระชากได้ไม้กลมท่อนหนึ่งยาวประมาณวาเศษยกขึ้นควงกวัดแกงเหมือนเล่นปาหีแล้วฟาตุบเข้าไปกลางหลังของเจ้าตัวจาฝูงสุดแรงเกิดด้วยความเดือดดาลโกรธแค้นขีดสุดไอหนีลเพชรกาลังหันหลังให้ไม่ทันรู้ตัวหรือเห็นการเคลื่อนไหวของขยินมาก่อนไม้พลองจึงซัดเข้ากลางหลังมันเสียงสนั่นหวั่นไหว มันไม่สะดุ้งสะเทือนแม้แต่นิดเดียวหันขวับมาเห็นผู้ที่บังอาจเข้ามาทําร้ายมันเข้าก็แยกเขี้ยวคำรามลั่นออกมาและชั่วพริบตานั้นเองมันก็กระชากแย่งไม้จากมือขยินหลุดออกไปง่ายๆเหมือนผู้ใหญ่แย่งเด็กขยินเสียหลักเซหัวถล่มตามแรงฉุดเข้ามาสู่วงแขนปานงวงช้างของมันมันรวบมับเข้ากลางลําตัวแล้วยกชูขึ้นเหนือหัวหมุนไปรอบๆบเมื่อาการเหมือนจะจับฟาดลงกับพื้น ระพินตวัดไรเฟลิลขึ้นไหลในพริบตานั้นแต่เขายังช้ากว่ามารีอาผู้ร้องตะโกนแหลมออกมาสุดเสียงวิ่งปราเข้าไปประจันหน้ากับมันทันทีแผ่นหลังของหล่อนบังทางปืนของทุกคนไว้อย่าอย่าทําเขาหลอนตะโกนเสียงหลงขณะที่พุ่งเข้าไปถึงมันคุณธรมล์ศักดิ์ของชัยยันผู้ซึ่งไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยพลัง ก, กาลังปานกระเพงเปลี่ยวอย่างเดียวเท่านั้นซ้ํำยังแสดงให้เห็นว่าเป็นนักงวยปล้ำผู้เชี่ยวชาญยิ่ง หยุดชงกิริยาอันดุร้ายลงทำปากยื่นเริดหน้ามาดูมาเรียเหมือนจะขู่ไม่เข้ามายุ่งด้วยแมนสาวแสดงน้ำใจอันกล้าหาญมั่นคงขีดสุดโดยการปราดเข้าไปจนชิดตัวมันยกมือขึ้นโบกห้ามและพร่ำพูดอ้อนวอนมันอยู่เช่นนั้นไอ้นินเพชรทำท่าขึงขังอยู่ครู่หนึ่งก็ยอมปล่อยมือโยนขยิมพลักลงกับพื้นถึงขั้นจุกแกๆๆๆ๊แกลแและทำกิริยาขู่ตะคอก เหมือนจะข้าโทษไว้วินาทีวิกฤตผ่านไปได้อย่างหวุดหวิดจวนเจียนอีกครั้งพลานใหญ่พอลมหายใจออกมาได้ไม่ทั่วท้องนักค่อยๆลดไร่เฟิ่ลงในขณะที่พวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดพากันวิ่งพลูเข้าไปประคองขยินด้วยความเป็นห่วงเจ้า ก, กระเลียงลมช่างหน้านิ้วสูตรปากครางงิ้งๆแน่แใสก็เกิดช่วยกันหิว้วขยินออกมาให้ห่างรัศมีความพลุกพล่านของฝูงรมูล ซึ่งมีอาการเหมือนอยากจะซ้ำเติมเหล่านั้นโดยเร็วมาริยหันไปแสดงอาการขอบใจมันแล้วค่อยๆกล่าวถอยหลังเข้ามารวมมู่อย่างใจหายใจควม่มทุกคนเข้ามาจับกลุ่มกันอยู่กลางบริเวณอีกครั้งฝ่ายของนายจ้างทุกคนยกเว้นมารียเพียงคนเดียวถือปืนในท่าตเตรียมพร้อมมึงไอ้ขยินเกือบไปแล้วไม่ล่ะนี่บ้าระหำอะไรขึ้นมาฮะตาเท่าบุญคาร้องละล่ําละละัก ขณะที่เข้ามาจับดูตามเนื้อตัวของเจ้ากระเรียงหลมช้างซึ่งนั่งสูตรปากหน้าเบยอยู่กลางวงล้อมโอ้ยตาเท่าช่วยดูทีตะโพกขยินหลุดไปหรือเปล่าเจ้าองคุลีมานหลมช้างครางอ้อยขยับยันกายจะลุกขึ้นพวกนั้นช่วยกันดึงแขนดึงขาเป็นโกลาหลนแล้วพากันอดหัวเราะออกมาไม่ได้อีกไม่เห็นสีหน้าอาการของขยิน พวกมึงน่ะไม่หลุดหายไปไหนหรอกแต่เครื่องมือทําพันของมึงสิจะหายไปหรือเปล่านะกูไม่รู้เหมือนกันอะไรวะอยู่ดีไม่ว่าดีไอ้นี่ไม่ได้นายแม่มช่วยแล้วก็บานนี้น่ะมันจับมึงสองขาฟาดกับพื้นแหลกไปหมดทั้งตัวแล้วพวกกูไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยนึกไม่ถึงว่ามึงจะบ้าเลือดวิ่งเข้าไปซัดกับมันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้บุญคําพูดพลางหัวเราะพลางมาเรียิแวกทุกคนเข้ามาอย่างร้อนใจ ร้องถามเป็นภาษาพม่าวาขยินเจ้าเป็นยังไงบ้างอดีตนายบ้านลมช้างยิ้มแ ย, แย่ๆขยินยังไม่ตายนแมมขยินยังเดินได้ขอบใจในายแมมที่ช่วยขยินไว้ทันเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าถึงทำบ้าๆอย่างนั้นนะขยินรลอนถามออกไปอย่างงงๆขยินโกรมันจะลืมตัวสินาแมมก็มัอนรือกระทมของเราอ่ะ มาเรียเป่าลมออกจากปากทำตาเหลือกแล้วหันไปอธิบายให้เชษฐถาชายันและดารินทราบดารินตบอกอยู่เร่าๆด้วยความฝันหนีดีฟอต่อเหตุการเชิดถากับชยันจุปากแต่ก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้นึกไม่ถึงว่าจะกระเรียงลมช้างจะบ้าดีเดือดขึ้นมาถึงปานนี้ส่วนพรานใหญ่ไม่พูดอะไรนอกจากยกมือขึ้นกุมมำบอกมันนะเมว่าคราวหลังนะ่อย่าทอะไรบ้าๆอย่างนี้อีก เหตุการณ์มาตะกี้นะี่มันจะไม่ตายคนเดียวแต่จะพลอยให้พวกเรานะแหลกล้านกันไปหมดนี่ทำไมใช่เพราะคุณก็ไปแก้ไขสถานการณ์ไว้ก่อนรับพินหรือพวกผมก็คงจะยิงไอ้นั่นเขาแล้วละ่ะแมมสาวหันไปส่งภาษาเร็วปรือโต้ตอบกับขยินและหันมาทางเชฐิฐาขยินบอกว่ามันจะไม่ทำอย่างนั้นอีกและขอโทษพวกเราทุกคนอย่าว่าแต่ขยินเลยผมเองยังอยากจะเตะมันเต็มทีล้ ก็ไม่คิดว่าตัวมันใหญ่กว่ามันดันรื้อกระท่อมของเราช่ละคุณส่งภาษากับมันได้รู้เรื่องและดูจะเข้าอกเข้าใจกับมันได้ดีอ่ะทาไมไม่ถามมันดูว่ามันมันพังกระท่อมแล้วทําไมชัยันว่านี่ชัยันถ้ามันบอกฉันได้มันก็คงบอกแล้วเหมือนกันว่าที่มันรื้อกระท่อมเราเนาะมันเพื่ออะไรมาเรียตตอบแต่ฉันไม่เคยบอกคุณหรือใครเลยนะว่าฉันพูดภาษากับมันรู้เรื่องฉันบอกแต่เพียงว่า โดยสัญชาตญาณแห่งการรับรู้อันเป็นภาษาของสากลละโลกฉันและมันพอจะเข้าใจกันได้บ้างเท่านั้นแม้จะไม่กระจ่างแจ้งนักก็ตามแล้วคุณเข้าใจยังไงที่มันทำลายกระท่อมของเราฉันก็คิดว่ามันคงไม่ต้องการให้เราพักอาศัยอยู่ในกระท่อมนั้นอีกต่อไปแล้วหรือคุณว่าไงไพยวันรพินไพวันยังไม่ตอบในขณะนั้นจำเลืองไปรอบๆบ เดี๋ยวนี้คณะมนุษย์ทั้งสิองชีวิตตกอยู่กลางฝูงอันมีจํานวนมากมายอย่างใกล้ชิดที่สุดดูราวกับว่าจะเป็นส่วนประกอบของฝูงมันไปแล้วฉะนั้นแต่ละตัวเหล่านั้นเดินสวนกันขวักไข่ไปมาและเข้ามาแวดล้อมใกล้ชิดตัวขนาดเอื้อมมาถึงและเริ่มสําแดงอาการขู่ตะคอกคุกคามอีกครั้งปรีเป็นหน้ากระดานแยกเขี้ยวขาวเข้ามาทาท่าเหมือนจะไล่กัดจนต่างต้องพากันถอยร่นหนีไปรวมกันอยู่ทางหนึ่ง บางตัวโดดเข้าไล่ทึงผลักใสพวกพรานพื้นเมืองจนต้องพังะส่วนเซถอยร่นไม่เป็นขบวนแต่ก็ไม่ถึง ก, กัดจริงๆหรือทำอันตรายร้ายแรงใดๆทุกคนพากันประหลาดใจงงงันไปอีกครั้งอย่างไม่อาจเข้าใจอะไรได้ในปฏิกิริยาแปลกใหม่ของมันชนิดนี้เอ๊ะไรกันนี่หมายความว่ายังไงไมันจะลงมือเล่นงานเราแล้วเหรอเนี่ยเชิดาร้องขึ้นเบาๆก้าวถอยหลัง เมื่อสองสามตัวที่อยู่ใกล้ชิดเข้ามากที่สุดกําลังย่างสา ม, ข, มาาขุ้มอ้าปากอวดขิ่วปรีเข้ามาพร้อมกับคํารามในลําคอระพินดึงนายจ้างของเขาให้ร่นไปอยู่ด้านหลังตนเองรังท้ายขบวนที่กําลังพากันถอยร่นนั้นโดยหันหน้าเผชิญมันรู้สึกว่ามันจะต้อนเราให้ออกเดินแล้วล่ะครับต้อนให้เราออกเดินเหรอท่านหัวหน้าคณะลืมตากว้าง อากับกิริยาที่มันแสดงอยู่นี่น่าจะให้เข้าใจเช่นนั้นเรากินอาหารเสร็จมันก็จัดการรื้อกระท่มของเราซะเพื่อให้เราพักอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วเดี๋ยวนี้มันก็กำลังจะต้อนให้เราเดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งกับพวกมันสังเกตที่ชายป่าด้านเหนือนั่นสิครับพวกมันส่วนใหญ่เปิดทางออกเป็นช่องแล้วเหมือนจะเป็นการบอกเจตนาให้ทราบว่ามันต้องการให้เราไปทางด้านนั้น นี่แปลว่ามันจะควบคุมจับตัวพวกเราไปจริงๆอย่างที่พูดกันเล่นๆไว้อย่างนั้นเหรอชยันพูดออกมาเกิดเป็นเสียงตะโกนจริงหรือไม่จริงเหตุการณ์มันก็บอกเราอยู่แล้วละครับพร้อมกับพูดเขาพยักหน้าให้ดูไปทางแนวป่าด้านเหนือซึ่งบัดนี้ไอ้ตัวจ่าฝูงใหญ่ที่สุดกําลังยืนเด่นอยู่ที่นั่นส่งเสียงรอง้องครอกครากธรรมาการเหมือนจะบกมือเป็นสัญญาณบงการบริวารของมันให้ช่วยกันไล่ต้อนเฉลยมนุษย์ ที่ยังรวนเรกันอยู่ซึ่งไอ้พวกลูกฝูงก็กระจายแผ่กันออกไปเป็นหน้ากระดานลุกกันโชคไล่เข้ามาเป็นลำดับโดยเปิดอีกทางหนึ่งให้ว่างไวเหมือนจะขีดกระดานให้เดินไปทางนั้นที่เห็นชัดสอเจตนาของมันยิ่งขึ้นก็คือไอ้ตัวหนึ่งกระโจนเข้าใส่สางปาผู้อื่นอาจรีรีรอๆออยู่ชุดกระชากแขนเวี่ยงทลาหัวสุนไปเจ้าพรานตองสู่ของมารีร้องโวยวายลั่นอย่างอกสันขวัญแขวน มาริยหันเข้าไปหาคนของหล่อนด้วยความตกใจก็พลอยถูกผลักใสให้เดินหน้าอีกคนหนึ่งโดยอีกสองสามตัวที่เข้าไปช่วยกันแล้วไอ้นินละเพชรหัวหน้าฝูงที่ยืนเป็นประธานอยู่ก็กระลาเข้ามาที่หลอนระหว่างที่แมมสาวยืนพะว้าพะวงงง ง, งันอยู่นั้นมันก็รวบเข้ากลางลำตัวยกหล่อนแบกพาดขึ้นบนบา่าพาเดินสองตีนนําตัดเข้าไปในราวป่าด้านเหนืออันเป็นทางลงไหลเนินมาเรียมไม่ทันรู้ตัวมาก่อน อนอร้องกรี๊ดออกมาสุดเสียงพยายามดิ้นรนจนสุดฤทธิ์ไรเฟิลจุดสาหที่ถือติดมืออยู่พลัดหล่นลงกับพื้นเรากันนัดกันไวแล้วแง่สายตะครุบข้อมือชายันไว้อย่างเหนียวแน่นฉับพลันก่อนที่นายทหารปืนใหญ่จะทันประทับปืนขึ้นไหลส่วนรพินก็โดดเข้าปัดไรเฟิลของดารินให้ลำกล้องเงยสูงพ้นแนวยิงตัวเขาเองตะโกนบอกความไปยังมาเรียผู้ดิ้นรนอยู่บนไหลของเจ้าธโมนนั้นว่าอย่าดิน้นอย่าขัดขืนมันเป็นอังคาร พวกเราทั้งหมดจะตามคุณไปมารียดูเหมือนจะได้สติรู้สึกตัวคิดขึ้นมาได้เพราะเสียงร้องบอกของพรานใหญ่หลอนระงับอารมณ์อันตื่นเต้นตกใจนั้นพร้อมกับยุติอาการดิ้นรนลงทันทียอมให้มันแบกไปด้วยอาการสงบยอมพรานหันมาบอกกับคณะนายจ้างของเขาเร็วหรือไม่ต้องตกใจครับมันจะไม่ทำอะไรเมย์เป็นอันขาดนั่นเป็นอุบายของมันที่จะบังคับให้พวกเราทั้งหมดไปกับมันด้วยเท่านั้นเอง ความจริงเราก็ต้องไปกับฝูงของมันอยู่แล้วเพื่อหาทางเอาสัมภาระของเราคืนกระพินคุณแน่ใจเหรอว่ามันจะไม่ขโมยเอาตัวเมย์ไปจากเราดารินร้องเสียงสัน่นถ้ามันจะขโมยเพียงแค่ตัวเมมันก็พาหายไปได้ในชั่วพริบตาคงไม่ปล่อยให้พวกของมันล้อมหน้าล้อมหลังไล่ต้อนเราให้ออกเดินอยู่อย่างนี้หรอกครับเอาละครับทุกคนออกเดินตามเมกับไอตัวใหญ่นั่นไปได้ไม่ต้องรีบร้อนไปกันตามสบาย ผมเชื่อว่าถ้ามันเห็นพวกเรายอมไปกับมันมันอาจวางตัวเมลงก็ได้ผมจะไปเก็บผ้าพลาสติกมุงหลังคาของเรานั่นหมดนั่นก่อนกล่าวจบจอมพรานก็สั่งความกับคนของเขาทั้งหมดแล้วเดินฝ่าฝูงไอ้ธมลไพรอย่างรีบด่วนตรงไปยังผ้าพลาสติกผืนใหญ่ที่ใช้มุงหลังคากระทอ่อมซึ่งบัดนี้กองคลุมอยู่กับพื้นบุญคนโดดเข้าไปร่วมมือด้วยเพื่อช่วยกันเก็บพับผ้านั้นเอาติดตัวไปด้วย พวกมันส่วนหนึ่งแห่กันไปรายล้อมุงดูคุมเชิงอยู่ในระหว่างบา่าน่าวนายสองคนช่วยกันพับผ้าแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางอย่างไรเออพวกมึงไม่ต้องมาจ้องคุมเชิงกูอย่างนั้นหรอกขอให้กูเก็บเสื้อผ้าเสร็จก่อนแล้วพวกมึงจะพาไปเมืองขีดขินของมึงกูก็จะยอมไปกับมึงทุกอย่างแต่พรานเท่าขบเขี้ยวเคี้ยวฟันร้องบอกฝูงทหารพระรามเหล่านั้นเกิด จันเสรยขยินและส่างปาออกเดินตามหลังเจ้าตัวจ่าฝูงที่แบกมาเรียนำหน้าไปนั้นตามคำสั่งของพรานใหญ่ทันทีคงเหลือแต่คณะเจ้านายที่ยังยืนงงต่อเหตุการณ์อยู่แงสายก็เอ่ยเตือนขึ้นว่าเชื่อผู้กองเอครับนายใหญ่เราออกเดินตามมันไปได้แล้วไม่ต้องห่วงผู้กองกรลุงคำหรอกครับประเดี๋ยวสองคนนั่นจะตามมาเองเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนะครับเชษฐารู้สึกตัวขึ้นมาในทันทีนั้น ยักหน้าเป็นสัญญาณกับน้องสาวและเพื่อนแล้วออกสาวเท้าเดินตามหลังพวกพรานพื้นเมืองที่ล่วงหน้าไปก่อนอย่างระมัดระวังไรเฟิลของมาเรียที่ตกอยู่กับพื้นสั่งปาเป็นคนก้มลงเก็บแล้วถือติดมือไปด้วยทันทีที่ฝ่ายมนุษย์ในควบคุมของมันเริ่มออกเดินไอลิงดําทั้งหมดก็พากันกระจายล้อมหน้าล้อมหลังเดินตามมาด้วยแน่นปาไปหมดราวกับขบวนแห่แห่นและยุติการขู่ตะคอก หรืออาการขับไล่ผลักใสอย่างที่พวกมันทํากันในครั้งแรกเป็นแต่เพียงตามกันมาเป็นพรวนเฉยๆเพียงครู่เดียวพลันใหญ่กับบุญคําที่รังท้ายพระมัวเก็บผ้าพลาสติกอันเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ก็ตามมาทันโดยมีบุญคําแบดผ้าที่ม้วนพับเป็นก้อนเรียบร้อยผูกติดอยู่กันหลังทุกคนอุ่นใจขึ้นเมื่อมองเห็นระพินต่างเดินบายหน้าลงจากไหลเนินที่พักแรม มุ่งลงสู่ป่าโปรงทางด้านเหนือภายใต้การบีบขนาบควบคุมของฝูงวานอนดำเหล่านั้นด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกให้ตายเถอะทำไมมันถึงไม่ปลดอาวุธเราใช้หมดแล้วก็หาเถาวันมามัดมือล่าคอเราไปซะให้มันรู้แล้วรู้รอดเกิดมาเป็นคนชาตินี้ไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยนะว่าจะต้องมาอับจนสิ้นท่าต้องตกเป็นเฉลยของฝูงลิงเชยันพูดพร้อมหัวรอฮึ อย่างเดือดแค้นระคนขบขันต่อเหตุการณ์ขณะที่เดินไปพลางก็มองไปรอบๆตัวเห็นเจ้าพวกทหารพระรามจำนวนมากมายเหล่านั้นเดินขนาบขบวนแซงหน้าแซงหลังอยู่ตลอดเวลาเชษฐานั้นบตรนี้อารมณ์สงบเยือกเย็นลงแล้วดูเหมือนเขาจะไม่หวั่นวิตกต่อเหตุการณ์จากพฤติการแปลกประหลาดชวนให้คิดที่เผชิญอยู่นั้นบุยวายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรรอกชยัน มันจะเอาเราไปไหนก็ไปกับมันก็แล้วกันดีเท่าไหรแล้วที่มันไม่ฆ่าเรามิหนำซ้ำพฤติการของมันหลายต่อหลายกรณีก็ยังแสดงถึงความเอือ้อเฟื้อไมตรีที่มันมีต่อเราเดี๋ยวนี้ฉันมีสังหรณ์ดีนะว่าเราจะต้องทําความเข้าใจและเป็นมิตรกับพวกมันได้หรือคุณว่ายังไงผู้กองผมก็มีความมั่นใจเช่นนั้นครับคุณชายไอ้พวกนี้ไม่ได้มีเจตนาจะเป็นศัตรูกับเราโดยตรงหรอก ถ้าไม่เช่นนั้นมันคงไม่ปฏิบัติต่อเราเช่นนี้มาแต่ต้นนี่มันต้องการในคณะของเราทั้งหมดไปกับมันเมื่อเราไม่สู้ไม่ต่อต้านขัดขืนมันก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่ามันไม่ทำอันตรายเราก็ลองไปกับมันดูเพื่ออย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องการสืบหาสัมภาระเข้าของขอ ง, ของเราอยู่แล้วถ้าคิดว่าเราตกเป็นเฉลยลิงจะทาให้เสียเกียรติความเป็นมนุษย์ของเราไปก็คิดซะว่าเราไปตามข อ, ของของเราคืนก็แล้วกัน มันจะคุมตัวเราไปไหนกันนะดารินรำพึงขึ้นลอยๆ อ, อย่างกลุ้มใจหนักกว่าทุกคนแล้วก็คงจะรู้ได้เองและครับคุณหญิงเราทั้งหมดกำลังจะเดินทางไปสู่คาตอบอยู่แล้วสังเกตไหมครับพอเราเริ่มออกเดินตามความต้องการของพวกมันพวกมันก็เดินคุมรายลอมมาเฉยๆไม่แสดงอาการข่มขู่อะไรเราอีกแต่ก็ออกจะไม่เข้าท่าเลยนะ ที่ตัวหัวหน้าหิวเอาเมยแยกจากพวกเราล่วงหน้าไปก่อนแบบนี้ชัยันไม่วายกังวลเดินไปพลางก็สอดสายสายตาไปพลางพยายามจะค้นหาร่องรอยของแม่เพื่อนสาวต่างผิวซึ่งตกอยู่ในอุ้งมือของไอ้นิลเพชรนำเดินลับหายไปก่อนทุกคนแลไปก็ยังไม่เห็นวี่แววอะไรทั้งสิ้นนอกจากกองทัพลิงอันดำเป็นพืชเหล่านั้นกระจายแผ่ทั้งหน้าและหลังไปไปหมดสองราวป่า ปล่อยเส้นทางด่านตรงกลางไว้เป็นที่เฉพาะให้เชลยของมันเดินรวมหมู่กันไปคงจะเป็นอย่างที่รพินบอกนั่นแหละไอ้ตัวหัวหน้านั่นฉลาดนักมันต้องการให้พวกเราทั้งหมดไปกับมันโดยไม่ขัดขืนจะแสดงอย่างอื่นพวกเราก็ยังไม่เข้าใจมัวลังเล ก, กันอยู่มันก็เลยฉวยเอาตัวเมคร่าไปกับมันซะก่อนกรณีนี้พวกเราก็ต้องตามไป ม, ม, มันไปยังโดยเลี่ยงไม่ได้เชิถาว่า ไม่นานนะักโดยเส้นทางที่ถูกคุมให้เดินลงไหลเนินตามเส้นทางเดิมที่พวกพรานพื้นเมืองพากันตัดดงหนามหวายเมื่อคืนมีลำห้วยเล็กๆไห ล, ลผ่านในระหว่างตีเนินสองลูกสางปลากับพวกพรานพื้นเมืองที่เดินนำกันอยู่ข้างหน้าก็ชี้มือลงไปพร้อมกับร้องโวยวายกันออกมาด้วยน้ำเสียงแสดงความยินดีนน่นมันปล่อยไนแมมแล้วไนแมมนั่งอยู่โ น, น่น ทั้งหมดถลันพวดลงมาถึงตำแหน่งที่พวกรานพื้นเมืองล้ำหน้าอยู่ก่อนก็มองเห็นชัดในสิ่งที่พวกนั้นกำลังชี้มือบอกกันอยู่ต่ำลงไปประมาณห้าสิบเมตรเบื้องล่างบนโขดหินใหญ่ลูกหนึ่งกลางทานน้าําใสมารีฮอฟมันเอามือวักน้ําลูบตัวท่าทางสบายใจอยู่ตรงนั้นพอเงยขึ้นไปเห็นพักพวกที่เดินตามกันลงมาโลรพ้นพุ่มไม้ริมทางด่านให้เห็นก็ลุกขึ้นโบกมือด้วยแล้วลุยลงไปแช่น้ําเล่นในลําทาน ทางเสื้อผ้าเหมือนจะให้ร่างกายคลายความร้อนอบอา้าวและขจัดความหมักหมมเหนียวเหนอะที่ไม่มีโอกาสจะได้อาบน้ำมาเป็นเวลานานมีไอจ่าฝูงตัวใหญ่ที่แบกหลอนขึ้นบ่ามาไปเดินวนคุมเชิงหรือจะพูดอีกอย่างหนึง่งว่าเป็นองครักษคอยเฝ้าดูแลอยู่ยังเนินฝั่งตรงข้างทั้งหมดยิ้มกันออกมาได้ด้วยความโล่งอกขึ้นเชิฐาหันมาทางครานใหญ่คุณคเนได้ถูกต้องจริงๆ มันปล่อยเมยแล้วหลังจากที่เห็นพวกเราทั้งหมดทยอยตามมันมามิหนำซ้ำแม่นั่นยังลงเล่นน้ำท่าทางสบายใจเฉิบไปซะอีกจอมพรานไม่กล่าวเช่นไรเพียงแต่ยิ้มออกมานิดนึงทุกคนเดินตามทางลาดนั้นตรงไปที่ลำธารที่มาเรียกำลังดำผุดดำว่ายแช่น้ำรออยู่นั่นทันทีท่ามกลางฝูงลิงที่แห่แหนร่วมขบวนยัวเ ย, ยมาด้วย พอใกล้เข้าไปก็ได้ยินมาเรียตะโกนทักทายเสียงแหลมใสขึ้นมาพร้อมกับเดินลุยขึ้นมาบนฝั่งเปียกโชกไปหมดทั้งตัวตลอดสีษันตรงเข้ามายังพักพวกที่ลงไปสมทบริมฝั่งเมยมันไม่ทําอะไรเธอหรอกเลยดารินร้องเสียงหนักหนกจ้องมองดูเพื่อนสาวต่างผิวด้วยความแปลกใจเสื้อผ้าที่เปียกน้ําของแมมสาวลู่เข้ารัดแนบกัะเนื้อหนังมังสาทุกส่วนปรากฏรอยขึ้นชัดเจนทุกส่วนสัตว์ มาเรียหัวเราะร่าเริงยกมือขึ้นสลับน้ำบนสีสันที่เปียบโชคอยู่เปล่ามันไม่ทำอะไรฉันจนน้ดเดียวพอแบกมาถึงที่นี่มันก็วางฉันลงฉันเห็นพวกเรายังตามมาไม่ถึงก็เลยถือโอกาสลงแช่น้ำสะกกอดเอาแรงวะไม่ได้พบน้ำมาหลายวันแล้วนี่พวกเราจะหยุดพักอาบน้ำกันที่นี่ก่อนก็ได้นะฉันรับรองว่ามันคงไม่ขัดฝางรหรอกมันแสนรู้มากโดยเฉพาะตัวหัวหน้าของมัน ราชาสกุลสาวกับพริปตาทิพิ์จ้องดูมาเรียอย่างงุนงงจนบอกไม่ถูกขนานั่นเองพวกพรานพื้นเมืองที่ร้อนอบอ้ามานานและทุกคนกำลังต้องการน้ำอย่างยิ่งก็พาลุยลงไปแช่ทั้งตัวและวักน้ำขึ้นมาดื่มอย่างกระหายอากาศยิ่งทวีความอ้า ว, วาาจัดขึ้นทุกขณะพระตะวันสายเริ่มลอยตัวสูงขึ้นพรานใหญ่จึงร้องสั่งคนของเขาเหล่านั้นให้ตัดกระบอกไม้ไผ่ใกล้ๆ ตักน้ำเตรียมบรรจุไว้สำหรับการเดินทางทันทีเพราะยังคะแนนไม่ถูกว่าจะต้องเดินทางไปอีกไกลสักเท่าไหร่ภายใต้การควบคุมของกองทัพธรมลพวกนี้แล้วหันไปบอกคณะนายจ้างของเขาว่าพักแช่น้ําก่อนสักประเดี๋ยวก็ได้ครับรู้สึกว่าไอ้ลิงพวกนี้จะให้โอกาสแก่เราอยู่เหมือนกันระยะทางเดินข้างหน้าเรายังเดาภูมิประเทศและระยะทางไม่ถูกเอาความชุ่มชื้นไว้ก่อนดีกว่าครับด้วยความเห็นชอบของครานใหญ่เช่นนั้น ทุกคนซึ่งต้องการน้ำอยู่แล้วจึงฉวยโอกาสนั่นทันทีทั้งหมดพากันเดินลุยลงไปกลางทาน้ำใสซึ่งมีระดับลึกเพียงเอวถอดปืนและของติดตัวซึ่งไม่ประสงค์จะให้ถูกน้ำออกวางไว้อย่างระมัดระวังบนก้อนหินใกล้ๆตัวและลงแช่น้ำดำสีสะลงไปใต้น้ำทั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่เป็นการแช่ให้กระแสน้ำอันใสสะอาดสร้างความชุ่มชื่นให้กัร่างกายเท่านั้น ดาริงยังยืนอึดอักลังเลอยู่ก็ถูกมาเรียฉุดให้ลงไปกลางสายธารด้วยซึ่งความจริงหล่อนก็ปรารถนาที่จะได้อาบน้ำยิ่งยวดเหนือกว่าใครๆอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่วางใจต่อสถานการณ์เท่านั้นลงมาเถินาน้อยรีรออยู่ทำไมถ้าได้น้ำเธอจะมีกำลังมากกว่านี้อารมณ์ก็จะผ่องใสเตรียมรับสถานการณ์ข้างหน้าได้ดีขึ้นนะมารียบอกปหัวรอก พาไรเฟิลของดารินไปวางไว้บนก้อนหินใกล้ๆและพยักหน้าให้ถอดเข็มขัดเปืนสั้นแต่เดี๋ยวตอนเราแช่น้ํามันบุกเข้ามาขโมยปืนของเราไปอีกอะ่ะนักมานุษยวิทยายังรีรออีกเพื่อนอยู่เหลียวไปรอบๆกายเห็นจะพวกฝูงลิงพวกนั้นบางส่วนเดินลุยน้ําข้ามลําธารไปอยู่อีกฝากนึ่งฝั่งเดียวกับที่จ่าฝูงของมันขึ้นไปรออยู่ก่อนแล้วอีกส่วนหนึ่งยังกระจายกันอยู่ทางฝั่งตรงข้าม หลยตัวก้มลงดื่มน้ำไม่มีอาการสนใจอย่างใดกับมนุษย์ทั้ง12ชีวิตในวงแวดล้อมควบคุมของพวกมันเหมือนจะปล่อยให้ลงแช่น้ำกันได้ตามสบายไม่หรอกหน้าน้อยมันไม่สนใจที่จะขโ ม, มยหรือยึดปืนของเราแล้วละ่ะมันรู้ดีว่าเท่าที่เหลือเติดตัวพวกเราอยู่นะไม่มีความหมายอะไรสำหรับพวกมันหรอกฉันอยากอาบน้ำจริงๆนะแต่แหมมันฉุกและหุในเหตุการณ์ไม่เข้าท่าเลย เสื้อผ้าก็ไม่มีเปลี่ยนด้วยนิ้วไหลน่ะน้อยทาไมเธอถึงต้องเอาความสะดวกอะไรให้มันมากมายถึงเพียงนั้น่ะเรามีโอกาสได้แช่น้ําอย่างนี้ก็ดีเท่าไหร่บ้างเท่าไหร่แล้วอาบน้ําแช่มันน้่งเสื้อผ้าอย่างนี้แหละอย่างน้อยก็ยังสบายกว่าไม่มีโอกาสได้ถูกน้ํำซะเลยก็เดี๋ยวเราก็ขึ้นกันทั้งน้าเปียกๆอย่างเงี้ยเดินไปสักพักเดียวเสื้อผ้าก็แห้งเองเสื้อผ้าที่เปียกน้ําระยะแรกๆเนี่ยจะช่วยเราไม่เหนื่อยเร็วนักด้วยนะพร้อมกับพูด มาเรียเอื้อมมือมาถอดเข็มขัดปืนสั้นของดารินออกวางผาดไว้ใกล้ตัวเหนือน้ำแล้วกดไหล่ราชสกุลสาวซึ่งทำอะไรไม่ค่อยจะถูกในขณะนี้จมลงไปใต้น้ำตลอดทั้งศรีษะมันดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่คณะเดินทางทั้งหมดลงแช่น้ำกันทั้งเสื้อผ้าที่ติดตัวอยู่เพราะความจำเป็นจากสถานการณ์แวดล้อมแล้วก็จริงอย่างที่มาเรีย ว, ว่าแม้จะไม่ใช่การอาบน้ำที่สมบูรณ์นัก ร่างกายของทุกคนที่มีโอกาสจะลงไปแช่ในสายทานใสสะอาดเยือกเย็นก็ช่วยสร้างความแช่มชื่นและอารมณ์แจ่มใสขึ้นได้ดารินอดที่จะคิดห่วงไม่ได้อยู่ตลอดเวลาว่าเสื้อผ้าเปียกน้ําโชคตอนขึ้นจากทานจะฟ้องรูปร่างและเพศแท้จริงของหล่อนให้ไอิลิงประหลาดฝูงนี้ทราบซึ่งอาจจะทําให้มันหันมาสนใจหล่อนเช่นเดียวกับมาเรียแต่ก็ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้เช่นไรจึงได้แต่อึดอัดกังวลใจอยู่ ประมันไม่เกิน 6-7 เจนาทีที่เฉลยมนุษย์ลงไปดื่มกินและแช่น้ากันอยู่กลางทานลักษณะไม่ผิดอะไรกับสัตว์ป่าทั้งหลายจะพวกลิงดำที่ยังคุมเชิงอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เริ่มกระตุ้นให้ผละจากที่นั้นและออกเดินทางต่อไปโดยวิธีอาการแสดงออกของพวกมันคือทำเสียงคลอกครากเอะอะขึ้นลักษณะไล่ตอนไอบางตัวถึงกับเอาก้อนหินเคืองๆกว้างตูมตามลงมาตกอยู่ใกล้ๆตัวของคนเหล่านั้น เอาก็มันสิมันให้เราแช่น้ำเดียวๆ เ, เท่านั้นนี่จัดแจงไล่ต่ออีกแล้วละสิชั ย, ยันพูดขันขันกับพักพวกและป้องปากตะโกนออกไปว่าไอ้หอกเดี๋ยวก่อนสิโว้ยให้พวกข้าอาบน้าให้มันสบายใจสักหน่อยไม่ได้เล้ยังไม่ทันเลยเลยไล่แล้วให้มีมารายากของสุภาพลิงมังสิโว้ยไม่ทันจะขาดเสียงตะโกนด่าของช ย, ยันเจ้าตัวก็ร้องเสียงหลง ขนไม้ผุผุท่อนเรืองท่อนนึ่งลอยควางลงมาจากฝั่งด้านหลังหลนตูมลงไปในน้ำใกล้ๆตัวชัยยันชนิดที่น้ำแตกเป็นปีกแผ่กระจายเปียกปอนไปหมดทั้งหัวเป็นฝีมือทุ่มน้ำหนักมาจากไอหอกตัวขนาดเขืองตัวนึงที่ยืนยงโยยงยกอยู่บนโขดหินใหญ่และททำขยมตัวเลิกหน้าหลอกขนไม้ท่อนนั้นถ้าถูกชัยยันก็มีหวังคอหัก ทุกคนพากันอดหัวเราะออกมาไม่ได้ด้วยความขบขันต่อเหตุการณ์ไปเถอะอย่าไปขัดขืนมาเลยไหนๆเราก็ยอมตัวเป็นเฉลยมาแล้วนี่เชษดถาพูดบนหัวเราะระพินไพยวันโบกมือเป็นสัญญาณกับคนของเขาที่กระจายกันอยู่ตามส่วนต่างๆของลำธารทั้งหมดพากันลุยน้ำในสภาพที่เสื้อผ้าและร่างกายเปียกโชกเดินข้ามไปยังตลิ่งของอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งในตัวจ่าฝูงและพวกมันบางส่วนรอคอยอยู่ก่อนแล้วลักษณะไม่ผิดอะไรกับเฉลยศึกที่ถูกกองทหารฝ่ายตรงข้ามเข้าควบคุมและบังคับให้เดินเป็นขบวนไปสู่จุดหมายปลายทางอันเป็นค่ายกักกันดินลูกรังตามทางด่านเปียกชื้นด้วยน้ำฝนที่ตกเมื่อคืนนี้บัดนี้เพิ่งจะเริ่มหมัดมปรากฏเต็มไปได้วยรอยเท้าของกองทัพธรรมนที่ย่าไว้กราดเกลื่อนกลบร่องรอยของสัตว์ป่าอื่น ที่เคยมีอยู่ก่อนหมดสิ้นตามทิศทางที่มีญาติราพลเข้ามาทั้งสิบสองชีวิตมนุษย์เดินเกาะกลุ่มเคลื่อนขบวนกันไปในลักษณะการเดินตามปกติเช่นทุกครั้งภายใต้วงแวดล้อมของฝูงวานอนดำเหล่านั้นซึ่งกำหนดแนวประดุจะขีดเส้นทางเดินไว้อย่างแน่นอนเพราะพวกมันเว้นช่องเดินตรงกลางไว้สสำหรับเฉลยโดยเฉพาะ กระจายกำลังพลออกขนาบบีบอยู่ในราวป่าทั้งสองข้างรวมทั้งปิดสกัดไว้ทางด้านหลังไม่ให้มีการหันกลับส่วนด้านหน้าก็มีพวกมันตัวเคืองๆลักษณะหัวหน้าฟูงนำขบวน ล, ล่วงหน้าไปเหมือนมักคุเทศขบวนของมันทั้งหมดแม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมากนับร้อยๆตัวขึ้นไปจนเลเห็นเต็มพืชไปหมดทั้งป่ารอบตัวแต่ก็เคลื่อนกันไปอย่างมีระเบียบพอสมควร เรากับกองทหารที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีซอกซอนเลาะลัดไปตามป่าริมทางทั้งสองฝั่งอย่างเงียบสงบเป็นด้วยอำนาจและอิทธิพลอยู่เหนือป่าทั้งมวลโดยสิ้นเฉิดจากการรวมฝูงผนึกกำลังกันได้อย่างสามัคคีพรักพร้อมชนิดที่ไม่มีสัตว์ป่าประเภทใดจะสามารถกระทำได้แม้แต่ไทรันนูสรัสซึ่งแม้จะยิ่งใหญ่ซักเพียงใดก็ตามแต่ก็ดำรงตนอยู่โดดเดี่ยวเป็นเอกเทศ ขาดด้านการประสานงานร่วมมือและที่สำคัญก็คือพลังจากสมองอันฉลาดเฉลียวซึ่งมีอยู่พร้อมมูลในเจ้าวานอนตระกูลประหลัดนี้พวกมันเคลื่อนกันไปอย่างช้าๆไม่มีอาการเร่งร้อนใดๆทั้งสิ้นชะลอเวลาและลดความปราดเปรียวอันเป็นธรรมชาตินิสัยเดิมของมันลงเหมือนจะรอเฉลยมนุษย์ภายใต้การควบคุมจากการสังเกตยอย่างถี่ถ้วนระมัดระวังของเชฐิฐา พอจะจับเครสและเข้าใจธรรมชาติของพวกมันได้บ้างพอสมควรอาการเคลื่อนไหวของมันคล้ายๆซิมแปนซีหรืออุรังอุตังมากกว่าพวกกอริลาตามปกติแล้วถ้าต้องการการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วฉับไวมันจะวิ่งไปด้วยมือและตีนทั้งสข้างแบบสัตว์สีเท้าธรรมดาทั่วๆไปในทันทีแต่ถ้าจาเป็นขึ้นมาก็อาจยืดตัวขึ้นยืนสองขาได้ถนัดและคล่องแคล่วกว่ามี ส้ำยังสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างเกือบเท่าๆกับมนุษย์อยากท่าที่ยืนทรงตัวสองเท้านั้นไม่ว่าจะหยิบฉวยหรือแม้กระทั่งแบกหามจากสมดุลของการทรงตัวสองขาหลังซึ่งใกล้เคียงกับมนุษย์เหนือกว่าลิงทุกพันการปีนป่ายกระโดดหรือกระโจนเป็นคุณลักษณะของสัตว์ประเภทลิงโดยตรงไม่ได้เสื่อมหรือลดย่อนลงแม้แต่นิดเดียวทั้งๆที่ตัวของมันเคืองกว่าลิงทั่วๆไปหลายสิบเท่า ตรงกันค่ะความใหญ่โตของร่างกายยิ่งขยายสมรรถภาพวานอนของมันขึ้นอีกตามส่วนก่อนจะขึ้นจากทา น, น้ําเฉฐาสังเกตเห็นไอตัวที่ใช้ขอนไม้ทุ่มเข้าใส่ชยันตัวนั้นกระโจนจากก้อนหินที่มันยืนอยู่พรวดเดียวถึงตะลิงฝั่งตรงข้ามซึ่งขณะนั้นห่างประมาณเจ็ดแปดเมตรเป็นการกระโดดไกลเหนือกว่าแชมเปี้ยนกระโดดไกลคนใดทั้งสิน้นแล้วก็ดูเหมือนว่ามันไม่จําเป็นต้องออกแรงอะไรมากเลยไม่จําเป็นจะต้องถอยไปตั้งหลัก และใช้แรงส่งจากการวิ่งกระโดดให้เสียเวลาไอ้บางตัวที่คึกขนองมากๆระหว่างที่เดินเลาะลัดไปตามไหลเนินเพื่อบ่ายหน้าลงก็กระโจนขึ้นไปแกวงตัวห้อยโหนเล่นบนกิ่งไม้ซึ่งมีระดับสูงจากพื้นขึ้นไปสี่ห้าเมตรได้อย่างสบายมันโดดได้สูงกว่าเสือดาวซะอีกเพราะช่วงความยาวของร่างกายแต่เท่าบุญคาเรียกมันว่าไอ้พวกนิลเพ็ทหารพระรามเมืองขีดขินนั้นได้ถูกต้องแล้ว จากความฉลาดอาจองและฤทธิเดชของพวกมันยาพวกนี้ถ้ายักเมืองลงตามีจริงพวกมันก็รบกับยักษ์ได้อย่างสบายจากฝูงหัวหน้าใหญ่ของพวกมันตัวนั้นพอมนุษย์ยอมออกเคลื่อนที่ไปตามการนำพาของพวกมันโดยดีก็ไม่ได้ข้ามายุ่งย่ามวุ่นวายอะไรอีกแต่ก็แสดงความฉลาดลำ้ำพิสูจน์ได้เห็นว่าพลังสมองความรู้สึกนึกคิดของมันอย่างน้อยก็เป็นครึ่งหนึ่งของมนุษย์เื่อการปล่อยพวกมันตัวรองๆลงไป ทำหน้าที่นำทางตัวมันเองขึ้นไปยืนเหมือนจะบงการอยู่บนยอดหลวกใหญ่เตี้ยเตี้ยริมทางพอฉเฉลยเดินเข้าแถวผ่านหน้ามันไปครบคนก็กระโดดลงมาเดินทายอาดอาดไปท้ายขบวนคุมหลังทิ้งระยะห่างหกเจ็ดเมตรเรากับจะคอยสังเกตดูว่ามนุษย์จะมีท่าทีขัดขืนหรือหาทางหลบหนีมันบ้างหรือไม่ทั้งหมดเข้าแถวกันไปในลักษณะเรียงสองเงาทายและกลุ่มพวกพรานพื้นเมือง ซึ่งแบบนี้เดินกันตัวเปล่าเว้นแต่บุญคำคนเดียวที่มีผ้าพลาสติกมัดติดกัหลังและจันผู้ได้ปืนคืนมากระบอกหนึ่งล่วงหน้านำไปก่อนต่อมาก็เป็นดารินซึ่งเดินกเกาะแจ อ, อยู่กับพี่พี่ชายไม่ยอมห่างโดยมีชายยันกมามเรียเว้นระยะห่างสามสี่้าตามมาเบื้องหลังส่วนพลานใหญ่ทวงรังท้ายเพราะฉะนั้นเขาจึงเดินอยู่เบื้องหน้าของไอจาฝูงห่างเพียงชั่วไม่กี่ว่า ครั้งหนึ่งรพินทดลองหยุดนิ่งลงกับที่โดยปล่อยให้พักพวกเดินกันไปตามปกติเบื้องหน้าฝูงลิงทั้งกองทัพที่แหแหนแวดล้อมอยู่ก็คงเคลื่อนรายล้อมขบวนมนุษย์ไปเป็นปกติแต่ไอ้หัวโจกลยบชะงักลงทันทีเพราะมันเดินซ้ำรอยอยู่บนเส้นทางเดียวกับเขายันตัวขึ้นยืนสองขาผ ง, งาดขมิ้นจ้องมาที่เขาอย่างแคลงใจและมีอาการระวังคุมเชิงอยู่เช่นนั้นแต่ก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้ หือแสดงอาการคุกคามใดๆมากไปกว่าเลิกหน้าหลอกตามวิสัยของมันและเมื่อเห็นเขายังยืนเฉยมองมันนิ่งอยู่เช่นนั้นอีกครู่ใหญ่โดยไม่มีทีท่าว่าจะออกเดินต่อไอ้นินเพชรบรมฉลาดก็ลดตัวลงสี่ขาตามเดิมเดินเลี่ยงลีกลงข้างทางผ่านเข้าไปซะโดยวกไปเดินต่อท้ายปิดหลังชา ย, ยันกมามเรียไม่สนใจกับเขาอีกต่อไปทานองจะมีความหมายว่า พ้ะเองจะดื้อแผงไม่ยอมเดินไปกับพวกข้าก็ตามใจเองเถอะสำคัญพวกเองส่วนใหญ่ต้องไปกับข้าก็แล้วกันส่วนเจ้าตัวอื่นๆที่เดินตามมาเป็นพรวนก็ผ่านไปเป็นทิวแถวโดยไม่สนใจที่จะไล่ต้อนหรือขู่บังคับให้เขาเดินเช่นเดียวกับหัวหน้าของมันเหมือนกันนี่แปลว่ามันไม่ต้องการที่จะเอาตัวเขาไปเลยด้วยเรอะหรือว่ามันมีสมองพอที่จะยังคิดเข้าใจได้ว่า ลงมันได้ต้อนคณะของเขาส่วนใหญ่ไปกับมันแล้วเช่นนี้ลำพังเขาคนเดียวอยากจะปรีกตัวหลบหนีมันไปแบบโอ้ตัวรอดก็เฉิดสองสามตัวมีอาการหยุดชะงักดิมๆ ม, มองมองเขาอยู่เหมือนกันอาการของมันก็คล้ายๆจะถามว่านี่เองจะยืนโดี่วอยู่คนเดียวทาไมไปกับพักพวกด้วยสิแต่เมื่อเขาจ้องตามันขมิงโดยไม่สะทกสะเทือนกับกิริยาอาการของมัน พวกนั้นก็พากันเลี่ยงผ่านไปหมดตัวแล้วตัวเล่ากระทั่งเมื่อเลี้ยวกลับไปด้านหน้าอีกครั้งก็ปรากฏว่าแถวของพรรคพวกทุกคนถูกต้อนรับเนินลงสู่ทุ่งโล่งแล้วมองไม่เห็นหลังของใครสักคนเดียวนอกจากสีดําเป็นพืชราวกับกระแสน้ำบาของไอลิงดํานับร้อยที่ผ่านกันไปเป็นทิวเหล่านั้นและในที่สุดริ้วขบวนของมันก็ผ่านพ้นตัวเขา ขณะที่ยังยืนปักหลักนิ่งอยู่กับที่นั้นหมดสิ้นพบตนเองยืนโดดเดี่ยวประดุดถูกปล่อยเป็นอิสระอยู่เพียงลำพังคนเดียวเอากะมันสิมันทิ้งเขาไว้เพียงคนเดียวเหมือนเจตนาจะปลดปล่อยโดยไม่สนใจใยดีอะไรอีกทั้งสิ้นในขณะที่อีกสิบเอ็ดคนตกเป็นเฉลย อ, อยู่ในกำมือระพินไรวันเดินตามหลังขบวนของพวกมันทั้งหมด ที่เห็นหลังรำไรนั้นไปช้าๆพร้อมกับใช้สมองอย่างหนักอย่างน้อยที่สุดตัวเขาเองก็สามารถแยกออกมาได้เป็นอิสะระปราศจากการใส่ใจควบคุมของมันแล้วมันน่าจะมีผลดีอะไรขึ้นมาบ้างเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่พรานใหญ่ระพินคิดค้นหาทางอยู่คนเดียวเบื้องหลังโดยที่ไม่มีพักพวกคนใดรู้เห็นหรือฉเฉลียวใจคิดว่าบัดนี้เขาออกพ้นการ ควบคุมของไอ้ฝูงธมนเหล่านั้นแล้วเจ้าการียงโฉมงามแง่ทรายผู้เดินนาเคียงคู่ไปกับขยินเบื้องหน้าก็มีอะไรอยู่ในความคิดชนิดที่ไม่มีใครสามารถอย่างรู้ได้เช่นกันทุ่งหญ้า ก, กำลังมองหินอยู่เบื้องล่างต่ำลงไปสองฝั่งคือป่าโปร่งสลับไปด้วยก้อนหินแง่ทรายเริ่มเดินหลีกเบียงลงริมทางเฉออกไปนอกเส้นดานปะปนไปกับฝูงที่เดินขนาพวกมันทีละน้อย และเริ่มถลายแยกทางห่างออกไปเป็นลำดับในระหว่างที่พักพวกทุกคนยังรักษาเส้นทางเดิมที่มันตีกรอบไว้ให้คือทางด่านเส้นกลางและชั่วไม่กี่อึดใจต่อมากว่าที่พักพวกทุกคนจะไหวทันร่างของเจ้าองค์ละครพิเศษของดารินก็อันตรธานหายไปจากสายตาของทุกคนซะแล้วท่ามกลางพุ่งพงและก้อนหินที่แวดล้อมรอบด้านอันเต็มไปด้วยไพร่พลิงเหล่านั้น พี่ใหญ่คะเงยสายหายไปไหนละดารินร้องขึ้นเบาๆเชิดาเริ่มเอกใจกว่าสายตาไปในรัศมีรอบด้านก็มองไม่เห็นขณะนั้นเองจะเป็นด้วยบังเอิญหรือสังหรณ์ใจยังไงไม่ทราบมาเรียเหลียวกลับมาเบื้องหลังก็ลืมตาโตสะกิดชยันโดยแรงชยันฉันจำได้ว่าไพรวันเดินตามมาข้างหลังเราแล้วตอนนี้เขาไปอยู่เส้ที่ไหนละ่ะ ชยันหันขวับแล้วอ้าปากค้างระยะที่ห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวระหว่างคู่เชษฐถาดารินและชยันกับมาเรียทั้งสองฝ่ายสามารถส่งข่าวให้ทราบถึงกันได้ทันทีในความผิดปกตินี้คือแง้ทายหายไปในขณะที่เดินนาอยู่ข้างหน้าส่วนพรานใหญ่ระผินก็อันตรธานไปอย่างลึกลับขณะที่เดินปิดท้ายขบวนอยู่เบื้องหลังทุกคนงง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 แล้วก็ไม่มีเวลาพอที่จะบอกให้รู้ตัวแต่เชื่อพี่เถอะเฉยไวแล้วกันสำหรับคู่หลังชยันกมามเรียสองคนสามารถยังทราบเท่าทันได้ในทันทีที่เห็นในสิ่งผิดปกตินี้ีมเมย์ทายถูกไหมไอ้สองเสือนาะตอนนี้อยู่ที่ไหนชยันกระสิบก็เชื่อว่าปลีตัวออกพ้นกองทัพธรโมนเหล่านี้แยกตัวออกเป็นอิสระพ้นการควบคุมของมันออไปแล้วล่ะ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 เพื่อจะปรีตัวให้พ้นการควบคุมมันของมันดูสิแล้วนะดูสิมันจะยอมไหมลำพังไพรวันกับแง่สายนะมันไม่สนใจหรอกบอกให้สองคนนันจะคิดหนีตัวรอดไปเลยมันก็ไม่กลัวสำคัญว่ามันคุมพวกเราส่วนใหญ่ไว้แล้วคุณคิดอย่างนั้นเหรไม่เพียงแต่คิดตัวนะยังกล้าพนันกับคุณได้ด้วยจะดูหมินในสมองด้วยความคิดของพวกมันดิงั้นเรามาลองดูกันไหม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 อาการเอาเรื่องขึงขังขึ้นทันทีกทระโจนพรวดออกไปแยกเขี้ยวส่งเสียงขู่ตะคอกทรรอาการเหมือนจะหักคอเขาซะถ้าหากเขายังเดินถลาลเรื่อยเปืนออกนอกเส้นทางที่กำหนดของมันทำเอาชายันต้องชะงักสะบดดาอบอิบตับเข้ามาเดินเคียงกามาเรียตามเดิ่มแมมสาวกักดริมฝีปากกลั้นหัวเราะเห็นไหมฉันบอกแล้วไม่เชื่อนี่แปลว่านอกจากระพินกับแง่ทรายเพียงสองคนแล้ว มันจะไม่ยอมปล่อยเราคนใดทีเดียวเหรอแน่นอนผมหมือใครก็ตามในคณะของเรามันแตกต่างไปจากระพินหรือแงซายยังไงมันถึงได้ยอมให้สองคน น, นั้นปรีตัวแยกออกไปได้แต่ที่คนอื่นละมันไม่ยอมก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่ามันยึดเอาพวกเราทั้งหมดนี่แหละเป็นตัวประกันลํำพังแงซายกับพานใหญ่จะแยกตัวไปมันก็ไม่สนใจที่จะขัดขวางใดๆทั้งสิน้นเพราะมันรู้อยู่แล้ว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 ว่ามันต้องการอะไรจากพวกเราผมไม่ได้หมายความถึงอื่นๆแต่หมายถึงคุณโดยเฉพาะมาเรียขมวดคิ้วทําไมลนะ่ะชายันหัวเราะหึ่หก็สงสัยว่าไม่ช้าก็เร็วผมกับมันคงต้องฆ่ากันตายไปข้างนึง่งนม่นสาวเบิกตาสีดอกผักตบคิดอยู่ครูหัว ใ, ใจก็ทันความหมายของชายันยิ้มออกมาขันขัน ก็ทำไมคุณถึงจะต้องฆ่าที่มันฆ่าคุณด้วยแล้วก็ทนเห็นคุณมีผัวเป็นลิงไม่ได้สิมาเรียหัวรอคิกค๊กๆๆเหลียวไหลนใชนชายแดนแล้วก็อับประมงคนในความคิดเหลือเกินมีเท้านะคุณอย่าทำเป็นหัวรอคิกค๊กๆไปผมสังเกตเห็นมาแต่ต้นแล้วถึงตอนนี้มันก็จ้องคุณทางด้านหลังตาเป็นมันทีเดียวเสื้อผ้าของคุณเปียกรัดรูปมองดูเหมือนไม่ได้สวมอะไรางั้นเลย ใจดีอะผมว่าคุณพยายามห่างมันไว้มากๆดีกว่าขึ้นไปเดินตะบนรวมหมูกับพวกพรานพื้นเมืองสิทีเถอะผมจะเดินการด้านหลังไว้เองตอนที่มันตะครุบคุณขึ้นแบกบาข้างแรกอะผมก็เกือบจะยิงมันซะละเคราะห์ดีนะที่แง่าสาย ป, าปัดบอลสทานอดีตพัญญาสาวของดรฮอบมันผู้ทรงสเสน่ห์หันมองหน้าครับลิมฝีปากพรายอยู่ด้วยรอยยิ้มยากจะอ่านความหมายนี่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 ผิดขนาดกันเหลือเกินนะมาเทียบกับมนุษย์ดนอยู่สิอิสไลอะฮอสมารียยักไหลเอียงหน้าเข้าไปจ่อริมฝีปากชิดหูชัยยันบ like าดไอไลอะฮอสทาเอาชัยยันถึงก็ตาเหลือกร้องออกมาอย่าล้อเล่นนะเมถึงขั้นตายทีเดียวใช่นะขึานั้นก็ได้แต่ฉันไม่ตายหรอกถ้าความจาเป็นชนิดนั้นมาถึงจริง เป็นไปไม่ได้อ่อเมเป็นไปได้จิชยันฉันมีวิธีของฉันก็แล้วกันไม่ว่าคุณจะยอมมันเรอก็ทวิธีนั้นจะช่วยพวกเราทุกคนรอดตายและจะได้สัมภ า, าระของเรากลับคืนมาทั้งหมดนรกจะกระเปิดเพื่อจะรู้เดีอยวนี้เองในบรรดาอาการ e ซ u a l วล v ีเวช o n ของคุณมีอาการประเภทเบสติ l i t y ปนอยู่ด้วย ฉันบอกแต่เพียง ว, ว่าฉันไม่กลัวเท่านั้นจะถึงกับให้ต้องไปนาการของจิตพาชชนิดนั้นไปด้วยทีเดียวเหรอเคยมาก่อนแล้วคุณอะ่ะเคยแหละก็เบสทิลิตี้ยังไงไม่เคยอะ่ะแต่อยากจะลองอยู่เหมือนกันถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ชายันยกมือขึ้นตบหน้าผากตัวเองโอ้กอดเฮลมี่เขาคข็ง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 มันกระปรี่ตัวออกมาจากฝูงของมันได้ยังไงละ่ละก็พวกกองนะครับกระผินอึ้งไปขนาดจิตหนึ่งจ้องหน้าแงาสายขมิ ง, งฉันก็หยุดยืนอยู่กะที่เฉยๆปล่อยพวกมันเดินคุมพวกเราเดินผ่านเลยไปจนหมดแล้วก็เดินตามหลังมันมนี่แหละก็ไม่นึกเลยนะว่าจะมีแกอีกคนนึงปรีกตัวมาพ้นการควบคุมของมันได้ไดออกมาได้ยังไงผมก็เดินเลี่ยงออกจากเส้นทางด่าน ปอยทุกคนเดินเข้าข บ, บวนกันไปตามปกติผ่านมันมาทั้งฝูงโดยที่มันไม่ได้สนใจกับผมเลยแล้วมีพวกเราคนใดทำอย่างไกอีกบ้างไหมเราพินถามเร็วหรืออย่างร้อนใจเจ้ากระเรียงโชมงามผู้ลึกลับสันศีสะ ช, ะ ช, ะ ช, ะชะ่ชาผมไม่ทราบครับแต่คิดว่าคงไม่มีใครกลา้าเสียงทำตามผมถ้างั้นก็แปลว่ามีเราเพียงสองคนเท่านั้นที่ออกมาอยู่เป็นอิสระวงนอกของพวกมันได้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 ผู้กองก็จะต้องหาทางปรีกตัวกนอกการควบคุมของมันอย่างเดียวกับผมก็เลยนั่งดักรอพบจุดตรงนี้แ่ะครับจอมพรานถอนใจเือกขนาที่เอื้อมมือไปตบไหล่งาทรายหนักหน่วงแงาทรายฉันไม่เฉลียวคิดรู้ล่วงหน้าแม้แต่นิดเดียวนะว่านอกจากฉันแล้วจะมีแกอีกคนหนึ่งที่หลบออกมาได้แต่แกกลับรู้ทางฝ่ายฉันแล้วก็ดักพบยุดแถวนี้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 มันก็คงรู้ว่าเราต้องตามมันไปอยู่ดีแต่ผมคิดว่ายังมันยังไม่ฉลาดนักหรอกทำไมเหรอไงสายไม่ตอบในขณะนั้นแต่ลุกขึ้นยืนจากก้อนหินที่นั่งอยู่อย่างจะเย็นนั้นพยักหน้าเป็นความหมายเขาเดินตามลงไปยังบริเวณพงไม้ในระหว่างก้อนหินหมู่หนึง่งแล้วชี้มือให้ดูลงไปยังพื้นอันอุดมไปได้วยกรวดและใบไม้แห้งเหล่านั้นท่านใหญ่พุ่งสายตาลงไปห็น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 สองดอกอยังบรรจุอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ซึ่งลนตะแคงอยู่ส่วนอีกดอกหนึ่งกระเด็นออกมาพ้นที่เก็บหล่นอยู่กับพื้นใกล้ๆเอ็มหายความว่ยังไงกันนี่ทานใหญ่พูดออกมาด้วยเสียงกระซิบมันก็ออเปืนและของทั้งหมดของเราไปซ่อนไวทไ้ที่ใดที่หนึง่งแต่ลูกธนูเหล่านี้แยกอยู่ส่วนหนึ่งต่างหากจากกองสัมภาระของเราสันนิฐานว่าครั้งแรกก็คงถือติดมือมาด้วย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 ใบหน้าอันเครียดคล่ของจอมพรานบัดนี้เต็มไปได้วยข้าแห่งความหวังเขาหยิบดอกหนึ่งขึ้นมาตรวจพิจารณาอย่างละเอียดทีท่วนที่สุดแล้วก็ตรวจไปยังอีกสองดอกครางออกมาอย่างปิติว่าแง่ทซายนี่มันยังใช้ได้ดีทั้งสามดอกน ะ, ะว่าแต่คันธนูล่ะคงจะติดไปกระกงสัมภาระส่วนใหญ่ของเราด้วยล่ะครับผู้กองผมจาได้ว่าเมื่อเราเลิกใช้คันธนูลนแล้ว ผมก็ปลดสายออกยึดคันออกเป็นไม้ท่อนตรงแล้วมัดรวมติดกระไม้คานสำหรับหาบของเมื่อมันหาบของของเราไปคันธนูก็คงติดไปด้วยล ะ, ะแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีล่ะเนี่ยผ่านใหญ่พึมพ ร, รมเหลียวไปรอบๆ อ, อีกครั้งอย่างกระสับกระสายการพบดอกธนูติดระเบิดโดยบังเอิญซึ่งเจ้าลิงดำพวกนั้นโยนทิ้งไว้อย่างไม่สนใจมันหมายถึงว่าอานาจบางส่วนที่สูญเสียไป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 แกแง่ใจเหรอแง่ซายแน่ใจครับรบพินไพรวันเก็บดอกธนูเข้ากระบอกส่งให้แงซายแล้วสั่งเร็วปรืดถ้างั้นก็อย่าเสียเวลาแม้แต่อใจเดียวแงซายแกเอาดอกสอนพวกนี้ติดตัวไว้ก่อนแล้วไปจัดการหาไม้ไผ่ทาคันธนูเดี๋ยวนี้ฉันจะไปคอยแกอยู่ที่ปากทางก่อนจะลงทุ่งข้างล่างนุน่นเพื่อส่งสัญญาณให้พวกเรารู้แกหาไม้ไผ่ด้วยเสร็จก็รีบไปพบฉันตรงนั้น แล้วเราจะหาหรือกันอีกทีทั้งสองพละแยกจากกันโดยเร็วแง่ส า, ายคว้ากระบอกสอนขึ้นสะพายไหลตัดทางหายเข้าไปในละมอ่อไม้ด้านหนึ่งระพินก็ออกวิ่งลงไปตามทางลาดชันนั้นแล้วปีนขึ้นไปบนยอดหินสูงตรงบริเวณปากทางก่อนจะนําออกสู่ที่ราบโลุ่มของทุง่งหญ้าโดยตําแหน่งนี้เขาสามารถมองเห็นกองทัพทำงูนเคลื่อนตัดไปในทุ่งหญ้าสีเขียวขจีแลเป็นทิวเหมือนเส้นเดินของพวกมดดํา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 เป็นคนแรกจรึงชี้มือบอกนายดูนนทนแสงคล้ายๆใค ร, ใครสองกระจกกับตะวันฉายมาที่เราทั้งหมดหันขวับไปสังเกตทันทีแล้วเชษฐาก็ร้องออกมาว่าจริงๆด้วยนี่มันสัญญาณนี่ไม่มีใครรับพินแม่อ่านดูสิชัยยันพรานใหญ่ของเราส่งข่าวอะไรมากระมังชัยยันเบิกตาจ้องพยายามสังเกตแสงสะท้อนวูบวาบ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 เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามทราบว่าบักนี้ฝ่ายของตนรู้แล้วและกำลังรอฟังข่าวอยู่เมื่อ น, นั้นเองรหัสสัญญาณตามระบบสื่อสารสากลก็ส่งความมาทันทีทุกคนเห็นชัยยันจ้องผสมอ่านอยู่ในใจครูใหญ่ก็ร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวว่าฮะาทำให้ชัยยันเชตหาดารินและมาเรียร้องถามเป็นเสียงเดียวกัน รับพินพบกับเงาทายแล้วและบอกมาว่าพบลูกธนูติดระเบิดของเราด้วยมันทิ้งอยู่ที่ป่าตีเนินก่อนจะโลงทุกนี่ง